เดี๋ยวเร า, าฟังเคสสั้ีกันเลยจ้าชีวิตวัยสาวของแม่แม่ออกจากบ้านได้ทุนมาก้อนหนึ่งมารียนเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ได้พบพ่อของลูกพ้ อ, องลูกก็ต้องการที่จะแต่งงานกับแม่แต่พระพี่ชายของแม่ไม่เห็นด้วยจึงไม่ได้แต่ง แต่พ่อของลูกก็พยายามอยู่หลายปีจนแม่อายุแย่สาม37เจปีแล้วพี่ชายของแม่จึงยินยอมให้แต่งงานจะเท่าอยู่แล้วนะพ่อของลูกเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนคือก่อจะแต่งกับแม่ได้กันนานในระหว่างนั้นก็เพื่อไม่ให้มันเสียเวลาท่านก็นเลยมีภรรยาอยู่แค่เจคนนะะแต่ทุกคนก็มีธุรกิจซึ่งได้รับจากพ่อของลูก แม่งลูกก็ได้ธุรกิจปั๊มน้ํามันที่พ่อมอบให้แม่งลูกเป็นคนใจดีรักการทําบุญเมื่อเขาวัดพระธรรมกายคารักการสวดมนต์นั่งสมาธิแม่นะ่ยอยากมาร่วมบุญใหญ่หญของวัดเสมอแต่มาไม่ได้เพราะต้องดูแล ก, กิจการปั๊มน้ํามันแรกแรกการมาวัดก็ต้องอาศัยลูกๆดูแลปั๊มน้ํามันแทนลูกๆ ก, ก็ยังเด็กก็ไม่ค่อยจะเข้าใจก็จะต่อต้านไม่ให้แม่ไปทําบุญ เราเสียเวลาและลูกๆก็ต้องรับภาระแทนบางครั้งยังกล่าวว่าทำไมแม่ไม่ทำบุญวัดแถวๆบ้านแต่แม่ก็พยายามฝากเพื่อนๆมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายแทนแต่การเจ็บปวดของแม่ทำให้ลูกๆเห็นใจยอมให้แม่ไปทำบุญบ้างตอนอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ๆพอสี่ปีก่อนแม่ไปรักษาโรคมะเร็งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คารับการผ่าตัดเต้านมข้างขวาให้เคมีจนผมร่วงแม่บอกว่าป่วยได้ก็รักษาได้เดี๋ยวก็หายนี่คือหัวใจอันเข้มแข็งของนักสร้างประมีเลยจ้ะแม่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึง16วันก็กลับบ้านมาทำงานตามปกติแต่สองปีหลังมานี้แม่มีอาการเจ็บหลัง ต้องใช้แผ่นช่วยพันเท้าปวดมาปิดบริเวณหลังไปวัดก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะนั่งนานๆไม่ได้เมื่อไปตรวจที่สถาบันบรเรงแห่งชาติแล้วหมอบอกว่ามรเรงกระจายไปที่กระดูกสันหลังตับปอดและหมอก็ได้ให้ยารักษาที่มีผลรุนแรงมาม า, มากกว่าที่รักษาเมื่อสี่ปีที่แล้วแม่ผมร่วงเร็วกว่าครั้งก่อนออนเพียแพ้ยา แล้วก็มีาการข้างเคียงอย่างอื่นจนเห็นได้ชัดลูกก็อยู่ช่วยงานเต็มที่ในช่วงสองปีหลังโดยพี่ชายกําลังเรียนจบมหาวิทยาลัยว่าพี่ชายเรียนจบมหาวิทยาลัยพี่ชายบอกว่าจะบวชให้แม่แม่ดีใจที่สุดเพราะนี่คือสิ่งที่แม่รอคอยลูกเห็นแม่มีความสุขมากที่สุดอย่างที่ลูกไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ป้าที่เลี้ยงลูกทั้งสองตั้งแต่เกิดจนโตถึงทุกวันนี้ก็ดีใจจนน้ำตาไหลแม่และป้ารีบจัดงานบวชแบบประทันหันเพราะแม่ไม่ค่อยจะดีแล้วมีอาการปวดมากขึ้นวันงานแม่ของลูกและภรรยาคนอื่นๆของพ่ออีกเจ็ดคนก็มาร่วมงานด้วยเป็นสหวรรของ <c oughs> ของแม่แม่ทุกคนดีใจที่ได้บวชพี่ชายโดยเฉพาะแม่คือแม่ทุกคนดีใจแม่ถือผ้าตรายเดินรอบโบสถ์แบบต้องประคองกันเลยแต่แม่ก็พูด ก, กับใครๆว่าฉั น, นยังไหวแม่มีแต่รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาพี่ชายบวชเมื่อ29พฤศจิกายน46เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนที่วัดใกล้บ้าน และต่อมาอีกสองเดือนแม่ก็เสียชีวิตในวันที่ยี่สบก้ามกราคมสอง7ห้าสี่เจ็ดซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกกำลังประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เจ้าของเคสซาดี้นะจนต้องเข้าโรงพยาบาลเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับลูกเมื่อวันที่ส5ห้ามกราคมสอง7ห้าสี่เจ็ดซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของลูกวันนั้นเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ในบริเวณปั๊มน้ามัน ลูกคิดอย่างเดียวว่าต้องดับไฟให้ได้ก่อนค่อยไปโรงพยาบาลรักษาตัวเองทีหลังและขอะใย้ไฟไม่ปั้มน้ำมันของแม่เลยป้าขอให้หลวงปู่คุณยายช่วยด้วยวันนั้นโชคดีที่มีรถดับเพลิงเพิ่งจะเติมน้ำมาอยู่ใกล้ๆปั๊มของลูกรถดับเพลิงจึงได้มาช่วยทุกคนในปั๊มก็ช่วยกันดับไฟเดชบุญดับได้ ไฟไม่ลุกลามไปที่ไหนบ้านก็ไม่เสียหายปัม๊มอรมณทั้งบ่อ้ํามันก็ไม่ได้รับอันตรายถ้าคุมสถานการณ์ทุกอย่างไม่ได้ปั๊มน้ํามันคือจุดที่จะทําลายได้หมดทั้งตลาดดําเนินสะดวกตัวลูกเองถูกไฟไหม้คลอกในส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้าปิดตั้งแต่หน้าคอมือเท้าถูกส่งเข้าโรงพยาบาลดําเนินสะดวกหมอฉีดยากแก้ปวดลูกก็ช็อก และก็ชักแบบรุนแรงหมดสติช่วยที่เกิดการชักทุกคนต้องช่วยกันจับแขนและขาเพราะกลัวลูกจะตกเตียงจนหนังกำพร้าน่านะติดมือพวกเขามาเชิงระยะนี้แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยแม่อยู่โรงพยาบาลได้เจ็ดวันก็ลาจากโลกไปเมื่อวันที่สิบเกมกราคมสอง7หสเจ็ดลูกก็ไม่รู้ว่าลูกเป็นสาเหตุด้วยหรือไม่คาถาม ทำไมแม่ต้องมีชีวิต ท, ที่ลำบากและมีสามีเจ้าชู้และทำไมจะต้องอายุสัน้นป่วยด้วยโรคมะเร็งครั้งที่หนึ่งที่เต้านมครั้งที่สองที่กระดูกสันหลังตับปอดแม่งลูกลาโลกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนแม่คิดถึงลูกทั้งสองบ้างไหมควรทำบุญอะไรส่งไปให้แม่แม่จะได้บุญมาก จนไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษกับหมู่คณะของเราครับราะกรรมอะไรลูกจึงถูกไฟไหม้คลอกและแพ้ยาจนช็อกชักหมดสติผิวหนังถูกลอกแล้วลอกอีกขณะนี้แพทย์ยังไม่ให้ถูกแดดทรมานมากและลูกจะหมดเคาราะห์เมื่อไหร่ครับก็หมดเคราะห์ตอนหายแล้วแหละหายเมื่อไหร่ก็หมดเคราะแล้วลูกเอ้ย ตัวลูกทไมต้องเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยๆพี่ชายลูกก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขด้วยวิธีไหนดีที่สุดลูกทั้งสองจะบาปมากไหมที่ห้ามไม่ให้แม่ไปทำบุญจะแก้ไขยอย่างไรขณะนี้ลูกพี่ชายและป้าอยู่ดูแลกิจาการปั๊มน้ำมันของแม่ต่อขอความกรุณาตอบประเด็นคุณหลวงพ่อช่วยชี้แนะทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อ ง, องลูกทั้งสองด้วยครับ ก็ขายมันไปเรื่อยๆล้วลูกเอ้ยขายไปจนกว่ามันจะรวยเนย่ยค้าซาโตค้านา้มันเขาพ็รวยกันทั้งนั้นแหละเอาเรามาฟังฝันในฝันกันจ้ะเจสตีดดิทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรมรมได้ชัดเจนนะจ๊ะที่แม่มีชีวิตลหบากและมีสามีเจ้าชูร้รวมทั้งอายุสั้นด้วยโรคมะเร็งก็เพราะ กำเจชู้ของแม่เองนั่นแหละโดยในอดีตชาติสมัยที่แม่เกิดเป็นผู้ชายท่านก็ได้มีภรรยาหลายคนเพราะว่าเป็นพ่อค้ามีฐานะดีมีไร่นาสาโทเยอะอีกทั้งได้เลี้ยงปศุสัตว์ไว้สำหรับขายคล้ายธรุรกิจทำฟาร์มในสมัยนี้นะแล้วกำเจชู้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิง มาเจอสามีที่มีภรรยาหลายคนเห็นไหกระแสกรรมมันดูดขึ้นมาทำอย่างไรก็เจออย่างนั้นส่วนอายุสั้นกับพระเลี้ยงสัตว์ไว้ค่าขายแม้ไม่ได้ฆ่าเองก็ตามก็ได้สั่งลูกน้องทำจึงทำให้เป็นมะเร็งทั้งตัวจ้าแม่ก่อนตายท่านนึกถึงบุญและหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย แต่อีกใจหนึ่งก็ห่วงกังวลลูกชายสองคนดังนั้นในช่วงเจวันแรกที่ตายกายแม่แม้สว่างแต่ก็วนเวียนอยู่ที่บ้านและปั้มน้ำมันพอวันที่เจ็ก็คลายจากความห่วงบุญยึงได้ช่างแม่ยึงได้เห็นราชรถมารับพร้อมบริวารและก็มาที่วัดพระธรรมกายพเพื่อเยียมปทักษิณ หลับมหาธรรมกายเจดีตามหลักวิชาก็ระ ล, ลึกนึกถึงบุญที่เคยทำมากระหม่อณนะแล้วก็เลยไปที่วงบุญพิเศษเขตสเบียงเป็นเทพธิดามีวิมานทองที่สวยจริงๆเลยโ<า>ลกนะ่ะมีวิบากกรรมย่างสัตว์ทั้งเป็นเพื่อธรอาหาร ชอบปิ้งปิย่างๆกันเลยเช่นปิ้งกุ้งหอยปูปลาสดๆเป็นๆนี่แหละเอามาปิ้งเอามาย่างกุ้งหอยปูปลาในอดีตชาติในเป็นกรรในอดีตนะเรื่องมิจ่าโลกในเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางแต่ว่าเป็นนักกินนักเสิร์พิสดารเสรพพิสดารชอบเอาเปิลพิสดาร ชอบอาสัตว์เป็นเป็นมาปิ้งอย่างบ่อยๆเป็นระยะๆะะะะเปรียพิสดารเนีย่ยการมันตามมาทันพอดีจึงทําให้เกิดเหตุการณ์นี้จ้ะลูกจะต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและบุญทุกบุญโดที่ส่วนส่วนแสัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเข า, เาไว้ก็จะทําให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้า ใ, ใครๆปิ้งๆอย่างๆมึง ตัวลูกเองเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเพราะกรรมในอดีตที่ลูกเกิดเป็นชายหนุ่มในครอบครัวที่มีฐานะนี่ก็ไปชาตินะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเวลาไม่พอใจหรือโกรธก็ชอบทุบทำลายข้าวของแล้วตอนสมัยหนุ่มๆก็มักจะมีเรื่องชกต่อยทุบตีกับคนที่พูดจาผิดหูหรือมันไส้กันแต่ก็ไม่เคยฆ่าใครให้ตาย ในชาตินั้นเลยทำให้ชาตินี้มีนิสัยใจร้อนและประมาทเรื่อเลอิกติดมาจ้ะกับความที่ชอบทำลายข้าวของเนี่ยเวลาโกรธยังทำให้รถมักจะประสบอุบัติเหตุบ่อยๆจ้ะมันก็แปลกดีเหมือนนี่พี่ชายก็มีกรรมคล้ายๆกันนั่นแหละจ้ะจะแก้ไขก็ต้องทำทารักษาศีลเจริญภาวนาให้สม่ำเสมอให้เป็นคนใจเย็นอย่าประมาทเวลาขับรถก็ให้อยู่ในบุญ แล้วอธิษฐานให้ปลอดภัยนะจ๊ะลูกก็จะมีวิบากบ้างที่ห้ามมาให้แม่เนะี่ยมาทำบุญเช่นจะทำให้เวลาไปเกิดชาติต่อไปจะไปเกิดในครอบครัวที่เขาไม่เข้าใจเรื่องบุญแล้วก็จะเป็นอุปสรรคในการสร้างบุญของลูกนะแต่ก็พอจะแก้ไขได้โดวยวิธีน้ำย่อกอน้ำบง่งคือในชาตินี้นะให้ลูกเป็นผู้นำบุญยอดกะละยานามิตร เมื่อห้ามแม่ทำบุญก็ต้องไปชักชวนให้คนมาสั่งสมบุญให้ได้ตลอดชาติก็จะพ้นวิบากกรรมนี้จะพ้<า>นจากวิบากกรรมนี้หรือผังนี้ได้จะขณะนี้ลูกทั้งสองและป้าได้ดูแลกิจกรรมปาน้ำมันแทนคุณแม่นั้นนะก็ให้ลูกอยู่ในบุญเยอะๆในทุกบุญและก็ปรับสถานเทศสะอาดสาืบสาวทากุญยายนะ์ห้องน้ำห้องถ่ามน้สะอาดาและก็ใช้สังขาวัตุซีบ้าง เป็นผู้ให้มีปิยะว่จจาช่วยเหลือเกิดกลวมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสยลงังนี้เป็นต้นน่ะก<า> <c oughs> ็จะเจริญรุ่งเรืองจาสาธุอ่ะ<า>เดี๋ยวเรามาดูภาคกันนิดหน่อย<า>ที่แม่มีสามีเจ้าชู้ขาะ ก, กามการเมเ น, นอดีตชาติได้เกิดเป็นผู้ชามีฐานะแล้วก็มีภริยาหลายคนมีกิจการการค้าอะไรนะสาธุแล้วเข้าประสุทธิ์ เจ็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และสัตว์อื่นๆเอาไว้ค่าแล้วก็ขายแม่ไม่ได้ขายเองแต่ก็เป็นผู้สั่งให้บริวารนนเป็นคนข่าด้วยกรรมกรเ ม, มและกรรมปาตาติบาตจึงทำให้ท่านนะเป็นมะเร็งช่วงที่ป่วยก่อนละโลกใจเป็นบุญนึกถึงลุงปู่คุณยายได้แต่ก็ปนความเป็นห่วงลูกๆจึงเวียนเวียนอยู่เจ็ดวัน เพราะวันที่เจ็ดบุญในช่องจึงมีราชารถมปรับกลับไปที่โดยสุดบุรีวงบุวิเศษเขตเบียงที่ลูกถูกไฟไหม้และแพ้ยาจนช็อกหมดสติเพราะในอดีชาติเป็นนักกินชอบปิ้งกุ้งหอยปูปลาเป็นเป็ น, ปนรับประทานเปิดพิสดารกันที่เกิดประัติเหตุทางรถยนต์ไม่บ่อยเพราะในอดีตเป็นคนเอาแต่ใจตนเองเอารมณ์ร้อน เมื่อไม่พอใจมักจะทําร้ายข้าวของบางทีก็มักมีเรื่องทุบตีชกต่อยแต่ก็ไม่ใช่การทาให้ใครเนะี่ยเสียชีวิตให้ลูกระวังเวลาจะขับรถก็ให้มีสติอย่าประมาทเลยเลิอกอย่าใจร้อนนี่เป็นภาพสมมุติเอานะจ้าให้อธิษฐานทุกๆครั้งที่ขับรถว่าขอให้เราจะได้ไปจนใครแล้วใครอย่ามาชนรถเราก็แล้วกันที่ลูกข้าไม่ให้แม่ทําบุญก็จะมีเศษทวิบากกรรม ทำใหชาติต่อไปจะต้องไปเกิดในครอบครัวที่ไม่สนับสนุนในการทําบุญซึ่งอันตรายต่อชีวิตในสังสารวัตมากให้แก้ไขวิบากกรรมโดยให้ทําหน้าที่กัละยาณมิตรชวนคนทําบุญมากๆและเมื่อเห็นใครทําบุญก็ให้รีบไปอนุโมทนาบุญกับเขาทุกครั้งส่วนเรื่องกิจกรรมปัจจันก็ให้นำธรรมบัพปยุกต์ใช้เช่นสังขาวัตถุ4ให้มีทานปิยะอาจารย์เป็นต้น แล้วก็สืาาบสาวรธรรมคุญายเช่นทำห้องน้ำของป้าไม่สะอาดหน้าเข้าไปเป็นต้นให้ห้องน้ำเป็นห้องรับแขกให้ลูกยนดีบุ ญ, ญเยอะๆหมั่นทำทารักษาสีเจริญภาวนาก็จะได้ไปอยู่วงบนวิเศษด้วยกันกับคุณแม่ของลูกจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆ ส, นสำหรับเคสตี่ดีคืนนี้